จเจ้าเคยจัดว่าความหิวนะเป็นทุกอย่างยิ่งอาการที่เรามากินอาหารนก็เพื่อบรรเทาความทุกข์และความทุกข์อย่างที่เราบลำบากด้วยกินอาหารก็คือความหิ ว, าหาคค ว, หวเคยสงสารบ่าหรือเปล่าว่าทําไมคนเราหรือว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจึงต้องมีความต้่งหิวด้วย อันนี้ดูมันเหมือนคาถามพมื้นๆนะทําไมคนเราต้องรู้สึกขิวด้วยความขีน้นี่ธรรมชาติเขาให้มานะเพื่อที่จะได้กระตุ้นให้เราเนี่ยหาอาหารศาสตร์เนี่ยถ้ามันไม่ขี้นะมันก็ไม่ออกไปหาอาหารธรรมชาติของสัตว์เนี่ยมันอยากอยู่กับที่ไม่อยากไปไหนเพราะว่าถ้าออกไปแล้วเนี่ยอันตราย สัตว์จำนวนมากมันตายค่ะที่ออกหาอาหารนะไม่ว่าจะตายเพราะถูกงูกัดนะถูกเสือขบหรือว่าลกคนะู่นะสัตว์จำนวนมากมันตายเพราะขณะที่ออกหาอาหารนั้นถ้าธรรมชาติของมันเนี่ยมันไม่อยากออกไปหาอาหารหรอกเพราะว่าเจออันตราย แต่ว่ามันต้องออกไปเพราะว่าความถิวบังคับความถิวบังคับมันต้องออกไปหาอาหารออกไปหาอาหารแล้วมันก็จะได้มีอาหารนะมาบํารุงเลี้ยงตัวมันให้ อ, อยู่รอดปลอดภัยเมื่อใช้ก็ได้พูดกันว่าความเจ็บปวดนี่มันมีข้อดีอย่างไรบ้างความผิวเนี่ยก็มีข้อดีเช่นเดียวกันนะสัตว์เนี่ย มันย่อมรับตัวกลัวตายหรือว่ารับสุขเกลียดทุกถ้าไม่มีความหิวนะมันก็ก็อยู่แต่ในในโรงเอออยู่ในรูในถ้าแล้วก็แต่ถ้าทำเช่นนั้นเนี่ยมันก็ค่อยหมดเลี้ยงหมดแรงไปเรื่อยๆอยู่ไม่ได้ความหิวบังคับให้มันต้องออกประชิดอันตรายนะเพื่อที่จะเติมอาหารใส่ท้องเพ่ได้มีกําลังวางชา แล้วจะได้อยู่รอดสืบเผ่าพันธุ์แต่มนุษย์มนุษย์เราสมัยนี้เนี่ยไม่ค่อยได้รู้จักความหิวแล้วเพราะว่ามีอาหารการอยู่อาศรมสมบูรณ์ในพราะคนในเมืองคนที่หูโ่โหยนี่เดี๋ยวนี้ก็มีน้อยลงไปเรื่อยๆฉะนั้นสมัยนี้เนี่ยในพราะคนในเมืองหรืออย่างพวกเราเนี่ย เราไม่ได้กินเพราะความหิวแล้วนะแต่เรากินเพราะว่าปรารถนาความอร่อยอร่อยนะถึงแม้ไม่หิวนะก็ยังกินนะเพราะว่าความอ ร, อร่อยนะมันดึงดูดบางทีอิ่มแล้วนะก็ยังยังกินอิ่นะบางคนนี่อยากผิดมากนะก็ต้องพยายามหาวิธีการาต่างๆเพื่อที่ทำให้ ได้กินได้เสรก็อร่อยมากขึ้นและบางทีไม่ใช่บางทีอ่ะเดี๋ยวนี้บ่อยครั้งนะเราก็กินจนเกินความต้องการนะเพราะว่าเราไม่ได้กินตามความต้องการธรรมชาติแต่เรากินตามความต้องการของจิตใจหรือว่ากินตามปากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการกินก็เลยกลายเป็นอันตรายนะต่อต่อคนเรานะ แต่ก่อนคนเราตายเพราะไม่มีกินนะแต่อย่างนี้เราเจ็บป่วยจะล้งตายกันเพราะว่ามีกินมากเกินไปแล้วก็กินตามใจปากแต่ถ้าเราหันมากินนะโดยคำนึงถึงความต้องการของร่างกายกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทำหน้าที่ที่ถูกต้อง และการทำหน้าที่แบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมการกินนี่สามารถเป็นการปฏิบัติธรรมได้นเพ็นแค่เรากินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้กินเพื่ อ, อประกับประคองธาตุขันให้มันทางานได้ตามปกติอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วเป็นการทำหน้าที่และยิงถ้าเรากินนะไม่ใช่เพราะตามใจปาก หรือว่าตามความอยากยแต่เะกินโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อสุขภาพอันนี้ก็ยิ่งเป็นการปฏิบัติธรรมที่ลึกซึ้งมากขึ้นเพราะว่าจะทำนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องรู้จักใช้ปัญญาใช้สติแล้วก็รู้จัก อ, อดกลั้นต่อความอยาก การปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่เพียงแค่เรามาภาวนาด้วยการเดินจงกรมยกหมูสร้างจังหวะหรือหลับตาตาบนหายใจเท่านั้นเพียงแค่เรากินอาหารอย่างถูกต้องนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์แล้วแม้แต่เป็นการกินเพื่อให้ถูกสุขลักษณะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องหน้าเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมี สิ่งยั่วยุหรื อ, อว่าสิยั่วย้าให้เรากินในสิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพคือกินเพราะว่ามันอร่อยกินเพราะว่ามันดูสวยนะทั้งๆ ท, งที่อาจจะรู้ทั้งรู้ว่ามันอันตรายเช่นแตงโมที่แดงแล้วก็กรอบนะแตงโมที่มันแดงมากแล้วก็กินแล้วก็กรอบคนนิยมมาก สมัยก่อนแตงโมมันไม่แดงอย่างนี้ถามว่ามันแดงก็้วมันกรอบเพราะอะไรนะ<ม>ก็คงนี่เป็นผลการฉีดยานะหรือว่าการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนเลยหรือแม้กระทั่งรวมทั้งเวลาเก็บผลมาแล้วนี่ก็ยังใช้สารเคมีแต่ว่าแังโมยยงนี่แหละที่ขายดีเพราะว่าคนนิยม แต่ที่นิยมเพรา อ, อไรเพราะว่าไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพมากกว่าคำนึงถึงรสอร่อยแล้วก็ถึงความที่มันมีรูปรักณ์น่ากินงนัถ้าเรากินด้วยความสุดแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าเป็นการกินตามความอยากแล้วก็โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงโทษที่จะเกิดขึ้นการกินนะที่เป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ย มันหมายถึงว่าเราต้องรู้จัเ ก, กนนะเลือกกินเลือกกินในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแม้จะไม่อะรอร่อยอย่างเช่นเด็กเนี่ยนะแล้วก็ต้องรู้จักกินกินผักเด็กนี้ก็มีสติินะเพราะว่าเป็นเด็กไทยเนี่ยกินผักเนี่ยวันหนึ่งวันละหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะช้อนครึ่ง นะเขาวัาเป็นช้อนโต๊ะนะผักเนี่ยคือตามตามหลักการกินนะี่สิบสองช้อนโต๊ะนะแต่ว่าเด็กไทยกินแค่ช้อนช้อนครึ่งนะมันต่ำกว่ามาตรฐานนี่ก็เจ็ดแปดเท่านะแลวไปกินอะไรนะไม่ใช่กินแต่เนื้อไม่ใช่กินแต่ของหวานนะแต่ว่ากินแต่กินอาหารขยะที่เยอะพวกขนมกรุบกรอบเด็กไทย หที่เขาเฉลี่ยนะกินขนมพวกเนี้พวกขนมอาหารขยะหรือว่าพวกขนมกรุบกรอบเนี่ยปีหนึ่งใช้จ่ายประมาณเกอบมืนบาทเกือบมืนบาทนะวันหนึ่งเท่าไหร่นะวันหนึ่งก็ประมาณสามสิบบาทจำนวนนี้มันมากกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาอีกนะเด็กไทยเนี่ยใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเนี่ยประมาณปีละสามพันกว่าบาทต่อวันนะไอ้ต่อต่อปีนะั้นนี้เฉลี่ยนะ เฉลี่ยทั้งประเทศนะครับต่อปีถ้าเด็กในมือเนี่ยใช้เงินเป็นแสนก็ได้แต่เฉลี่ยทั้งปีแล้วเนี่ยใช้ใช้จ่าระพ่การสาของเด็กไทยสามพันกว่าบาท ต, ต่อปีแต่ว่าหมดไปกับขนมเนี่ยปีละเกือบหมื่นนะคือสามเท่ า, า, น, านั่นแปลว่าอะไรแปลว่าอาหารสมองก็น้อยแต่ว่าพิษภัยในร่างกายกลับเยอะนะดูมัน ตรงข้ามเลนแทนที่จะอาหารสมองเยอะแทนที่พิกไทยในะร่างกายจะน้อยนีย่แต่ว่าการบริโภคของเด็กไทยซึ่งก็คงรวมถึงพ่อแม่ด้วยเนี่ยมันตรงข้ามนะอาหารสมองนี่น้อยมากทีละสามพันแต่้พิกไทยต่อร่างกายนีย่มันเยอะอันนี้เรียกว่าเป็นพะไม่รู้จับควบคุมนะความอยากของตัวเห็นการ กินอาหารถ้าเราพิจารณาดดีๆเนี่ยถ้ากินอาหารให้ถูกต้องรู้รู้รู้จักเลือกกินว่ากินอะไรและกินอย่างไรเนี่ยนะมันจะเป็นการปฏิบัติธรรมได้เลือกกินว่าเลือกกินอะไรและกินอย่างไรกินอย่างไรก็หมายถึงว่ากินโดยที่กินอย่างมีสติกินอย่างกินด้วยใจที่สงบนะรู้จักินพิจารณา ที่นี่เราจะกินด้วยถือเป็นการเจริญสติไปในตัวเราจะไม่กินไปกุยไปเพื่อให้เราได้พิจารณาอาหารแล้วก็ได้มีความสึกตัวในขณะที่กินอาหารด้วยกินอะไรกินอย่างไรนี่เป็นเรื่องสำคัญนะที่เราต้องศึกษาแล้วก็ฝึกฝนใครทีอ่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการกินอย่างสงบนะก็ลองมาฝึกนะกินอย่างสงบ นะที่นี่นะทั้งอาหารเช้าแล้วก็ทั้งอาหารกลางวันนะนอกจากการเลือกกินว่าอะไรที่เป็นตรียวต่อสุขภาพนอกจากการรู้ปริมาณการกินว่ากินเท่าไหร่ถึงจะพอแล้วเนะี่ยกินอย่างสงบกินอย่างมีสติก็สำคัญอะ่ะแล้วก็เตรียมรับพร